ไม่ควรทําบาปบ่อยๆพระพุทธภาษิตปาปัญเจปุริโซกยิราณนะังกยีราปุนัปปุนังณนะตามหิชั่นดังกยิราถะดุโคปาปะสะอุจเยโยแปลความว่าถ้าบุคคลต้องทําบาปไม่ควรทําบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรพอใจในบาปเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุแห่งทุกข์อธิบายความบาป อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวร k นี้จะอธิบายก้าวหน้าต่อไปในเรื่องที่ทรงเตือนมิให้ทําบาปบ่อยๆและไม่ให้พอใจในบาปบุคคลทําสิ่งใดบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นนิสัยมีความเคยชินในทางนั้นนานเข้ากลายเป็นอุปนิสัยและวาสนานิสัยคือสิ่งที่ทําจนเคยชินเช่นพูดคํำยาวบ่อยๆเป็นต้นเมื่อหลายครั้งเข้าสิ่งนั้นก็กลายเป็นนิสัยของบุคคลผู้นั้นตรงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า ฮาร์ดอุปนิสัยหมายถึงแววของใจหรือความโน้มเอียงในการทําอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีแนวโน้มในทางนั้นทางนี้เช่นมีแนวโน้มทางเมตตากรุณาทางโหดร้ายทางดนตรีทาง อ, อรรักษรศาสตร์ปดประพันธ์หรือวิทยาศาสตร์เป็นต้นการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทับถมอยู่ในจิตใจเป็นเวลานานๆ น, นั้นมันย่อมแสดงแววมันออกมาแสดงความโน้มเอียงออกมาให้เห็นอยู่เสมอ และมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใของผู้สั่งสมมันมาอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่อาจต้านทานได้นี่คือลักษณะที่เรียกว่าวาสนาหรืออิมเพรสชันขอได้โปรดอย่านำเอาคำว่าวาสนาที่ใช้ในที่นี้ไปพนกับวาสนาที่คนทั่วไปพูดถึงเพราะนั่นเขาหมายถึงบารมีหรือคุณความดีที่สั่งสมมามากแล้ว ผ, ผลออกมาเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้นั้นเช่นเมื่อเห็นใครได้ดีมีสุขโดยไม่ต้องพยายมากนะัก เราก็พูดกันว่าเขามีวาสนาดีวาสนาของเขาสูงเป็นต้นงานทุกอย่างที่เราทำความเคลื่อนไหวทางกายความคิดทุกอย่างที่เราคิดย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ในใจิตใจแม้โดยปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะักแต่มันก็ทำงานอยู่ในภาคความรู้สึกใต้ํานึกของสมองหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า subconscious region of brain จำนวนรวมของวาสนาหรือ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 และทำรมชั่วติดต่อกันเป็นเวลานานใจของเขาก็จะเต็มไปด้วยความประทับใจหรือ m p r e s s i o n ที่เลวสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลครอบงำความคิดและการกระทำของเขาจนทำให้เขาลืมข้อแท้จริงต่างๆไปเสียสิน้นเมื่อความประทับใจนั้นทำงานอยู่เสมอผลที่ออกมาก็จะต้องชั่วคนนั้นก็จะต้องเป็นคนชั่วชั่วอย่างที่ช่วยได้ยากจริงๆผลรวมของความประทับใจอันเลวร้ายที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตของเขานี่เอง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 ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มีอำ น, นาจใดๆจะมาหยุดยั้งได้แม้บางคราวเขาปรารถนาจะทำกรรมชั่วบ้างก็ทำไม่ได้เพราะโมโนธรรมไม่ยินยอมตรงกันข้ามมันจะดึงเขากลับจากการประกอบกรรมชั่วนั้นอุปนิสัยอันดีงามได้รับการปลูกฝังลงในคนด้วยวิธีดังกล่ามานี้อุปนิสัยอันมั่นคงในความดีเช่นนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งรบเร้าเย้ายาวยนภายนอก สิ่งเยาญุนไม่สามารถทําให้เขาเปลี่ยนเจตจํานงได้ความโน้มเอียงในการทําความดีของเขาได้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเต็มที่เสแล้วผลของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราสามารถควบคุมอินทรีย์ของเราได้คือสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความชั่วความดีและความชั่วย่อมมีผลของมันเองทั้งสองอย่างคือการทําดีย่อมให้ผลดี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 เพราะมีความพอใจเป็นผลตอบแทนอยู่ในตัวแม้จะไม่ได้รับสิ่งอื่นก็ตามแต่ความพอใจในบาปนั้นไม่ดีแน่เพราะไม่มีอะไรร้ายแรงน่ากลัวเท่าการสั่งสมบาปมันมีผลเท่ากับการสั่งสมทุกไว้ในตนทำลายตนให้พ่ายแพ้ยักเยินในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าบาปกรรมมันเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวตนแต่มีอิทธิพลร้ายแรงต่อชีวิตมากอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะถึงตัวเราอยู่แล้ว เราก็มองไม่เห็นมันเราไม่รู้จะหนีอย่างไรใครที่มีศัตรูคือเวรกรรมก็นับว่าโชคร้ายมากเพราะมันทําเราได้ข้างเดียวเราไม่รู้จะโต้อตอบมันอย่างไรนอกจากมันมีกำลังมหาสามแล้วยังมองไม่เห็นตัวตนซส อ, อีกด้วยท่านจึงสอนให้กลัวเวรกรรมไวมากพระพุทธภาสิตทธิยกมากล่าวในเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามมืองสาวัตถีทรงปรารบ พระเสยยะสกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเสยยสกะเป็นสัตว์ทิมิหาริคือลูกศิษย์ของพระโลลุทายีได้บอกความที่ตนไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แก่พระโลลุทายีนั้นเพราะความกําหนักถูกการมราคะารบกวนพระโลลุทายีได้ทราบก่านนั้นจึงบอกให้พระเสยยสกะทํากรรมกิจสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เมื่อพระเสยศกะถามว่าการกระทำอย่างนี้สมควรแก่สมณะหรือพระโลลุทายีบอกว่าฉันเองก็ทำเหมือนกันเมื่อมีความกําหนัดเกิดขึ้นพระเสยศกะเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นคําบอกของปัญญายอาจารย์จึงประกอบกามกิดสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองทุกครั้งที่มีความกําหนัดเกิดขึ้นพระเสยศกะบอกความนี้แก่ภิกษุอีกหลายรูปภิกษุทั้งหลายนําความนี้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์รับสั่งให้พระเสยยสกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระเสยยสกะทูลรับความจริงแล้วทรงติเตียนานาฬาปะการเป็นต้นว่ากรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงบัญญาศึกขาบทห้ามภิกษุกระทําเช่นนั้นภิกษุใดฝ่าฝืนเป็นอาบาสังฆาพิเศษแล้วทรงแสดงธรรมว่าปาปัญเจปุริโสกยิราเป็นอาทิความว่า ถ้าบุคคลต้องทำบาปก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆเป็นต้นมีนัยยะดังธนานามาแล้วแต่ต้น